ดัตตสัพพวัตถุอะระหัตถุสัมมาสมปัุอะรหสาสมตหสาสตัะวอรหตสัมาสมุอะรสัสปมตหสัสวตอรหตสมาสมุสาปสวตา p ุทธบริษัยากัดิธรรมิกธากาดียเตนัที่ปัญญาสมมาปิอิมัสสะธมรยาอตุสาามนเตหิสักังธมสดิิตนิิัมติปรณาตัมปะนิล ส่วนการาึคษาปฐมประตมศึกษาในวันนี้เราตั้งพระนามว่ามาเป็นอาทิตย์ที่การธรรมนัตเป็นวันทั่ทศคือเป็นยวันไทยเป็นวันที่เราท่านทั้งหลายนิยมและก็ตั้งอกตั้งใจ ขวัญขวายในอันดีคุณชอพะนะครับเพื่อคือขอให้กเปจตะลักที่รักภักดิในสุตั้งมั่นเอาไว้อดีสุ่ทรสีมตั้งโบราณนักบุญเป็นพิจัก์ซึ่งสวยทุกอยู่ในของนันโดยไานที่มักนรกดูโตกติดเปิโอกาสในมา มสมุทรสมที่หลัของดนอของสายของตนนึก่ึงน้อนึกความเปนรเป็นเรือนีเรือนีเสน่ห์ปรสตอนทางงท้งไทยตัวั้งเป็นทรสงมงแจวเรื่อตัวเรีนุีโราณยังแ่ระดับมันถือว่าเป็นวันศาสเป็นกรณีพิเศษทั่วประเทศสาหรับพวกเราชาวพุทธและเราเหมนจได้ประพฤติปฏิบัติ และตับุญลุงส่งเสริมเพิ่มเติมคุณความดีอันควรแก่การจะพึงส่งเสริมให้กับปีตนของตนตามผีเราท่านเอ ง, งได้พิถีพิบัโรบรมกันมาด้วยลำดับตั้งแต่ปฐมมาการของการเดินจำบนับนไดปัจจุบนเพื่อผงสองเหน่งวางยาสับตะย่าระรำไในต้งตวเุาุกคนจิ่งข้ับท่านุมมีไ้วกไป ว่าะต้องรักต้องโปงโผล่ลงพิชิตนาซมุลอย่างนี้เสมอมาโดยลําดับเพราะฉะนั้นพวกเราท่านทั้งหลายจึงไม่ขึ้นอยู่กับการหรือขึ้นอยู่กับสมัยถ้าหากว่าเป็นการนิยมของการที่จะกระจัดที่งต่างนสิ่งที่เดินหนั่นเท็่ยมารักตัรามา ศิษยอกแมกนเรืองธรมนำมาเมื่อวันนี้มการมุ่งงไปเมือ่านในตึกข้าวสารในอเมริกันอังกฤษนานองุนส่วนคำฉันได้ยินจะดูเองจังผมแซงซึ่งเสื่อมนุษยชาติหรอกบทความเนมสมมติว่าเก่เวลาตัวจริงจสนใจแค่ไม่เอาผลิตภัณฑ์เองแว่าเราต้อิ้งมือ เราต้องทำอย่างเต็มที่เพื่อสิ่งทีราใส่ใจให้เราม่ละเลยความอยู่ดีรอดที่ไม่ปล่อยเราไปมีมีคุ่ากันสุดอาจจะมีอย่างนี้ไม่ใช่คนที่มันเราไม่ผูกขาดหรืออะไรสักอย่างมันเป็นสิ่งที่เราต้องการต้องรู้สึกว่าเราองการมนกอางหนึ่งไม่ใช่คนที่เราต้อ i การ ทักดบขั้นหรือหมดลงจากลมความเดนเกรกแแต่แสนสงปมางินสยมื่สมาิสรู่ปะนสังกันเพื่อบรรกรมีเสือโลกสุขานิารดมิสุขานทุจิชัดวิญญาณทกข์ธรรมสุขคือหนักน่้องได้ความรู้ตัวนี้เพราะฉะนั้น ความสว่างคือปัญญานี้หนึ่งเป็นความสว่างที่ไม่มีเงาหรือไม่มีสิ่งที่จะบดบังให้ปัญญานี้ส่องไม่ถึงได้ปัญญานี้สามารถที่จะส่อง ได้อย่างทะลุภูโปร่งจงแจ้งไม่มีที่บดบังแต่ก่อนอื่นนั้นใหเราทําความเข้าใจก่อนว่าปัญญานั้นคืออะไรและให้เราทําความเข้าใจถึงเรื่องของคําว่าปัญญานั้นง่ายๆ ไ, ได้แก่ความรู้นี่คือปัญญา รู้ในอะไรเห็นในอะไรรู้ในอะไรแจ้งในอะไรจึงจะเรียกว่าปัญญาอันนั้นมันอีกเรื่องหนึ่งนะแต่เราทำความเข้าใจง่ายๆเสียก่อนปัญญาคือความรู้เป็นความรู้หรือความรู้แจ้งจะในอะไรก็ได้คำว่าในอะไรนี่หมายถึงว่าทั้งในทางโลกและทางธรรม ทั้งในทางถูกและทางผิดดีและชั่วบุญและบาปสุขและทุกข์ทั้งในปัจจุบันอดีตและอนาคตเพราะฉะนั้นสถานที่วัตถุคือเรื่องนั้นนะย่อมเป็นที่ปรากฏการของปัญญาทั้งสิน้นคือของความรู้แจ้งทันทสิ้นนี่คือปัญญาได้แก่ความรู้ให้เราทาความเข้าใจใง่าย ทีนี้เมื่อเราเข้าใจอย่างนี้แล้วความสว่างอื่นใดในโลกจะเสมอด้วยปัญญาไม่มีนั่นจริงไหมโดยที่เปรียบเทียบเห็นว่าความสว่างโดยธรรมชาติซึ่งเกิดขึ้นจากแสงราตรีแสงเดือนหรือตะเกียงไฟฟ้าเป็นต้นย่อมมีสิ่งที่บทบังเขาจะส่องแสงสว่างถึงได้ต่อเมื่อที่นั่นมันปลอดโปร่งปราศจากเครื่องปกปิดและกำบังเท่านั้น ถ้ามีสิ่งกีดขวางหรือกำบังอยู่แสงสว่างไม่อาจที่จะรอดสิ่งที่ปกคลุมและกำบังนั้นไปได้แต่ถ้าว่าปัญญานั้นหาได้เป็นเช่นนั้นไม่ไม่มีสิ่งใดที่จะปดบังปัญญานั้นหมายถึงว่าในรูปธรรมด้วยกันนะแต่ส่วนที่ละเอียดก็ไปกว่านั้นนั้นยกไว้ก่อนถ้าหมายถึงรูปธรรมคือวัตถุ แม้แต่ในตัวบุคคลด้วยกันต้นเสาต้นไม้ภูเขาเมฆหมอกแม้แต่จะปรากฏว่ามีกลางคืนเดือนข้างแรมก็ตา่างเราจะมุดเข้าไปในถ้ำดำลงไปในน้ำก็ตา่างคำว่าถ้ำหรือน้ำนั่นก็ไม่สามารถที่จะปกปิดคำว่าปัญญาทำให้แสงคือความรู้คือปัญญานั้นปรากฏการไม่ได้ ดำลงไปในน้ำมันก็ไปสว่างในน้ำเลเข้าถ้ามืดลืนตามองหาอะไรไม่เห็นมันก็สว่างจ้าอยู่ในถ้ำเลยอย่างนี้เป็นต้นถ้ายกตัวอย่างดูง่ายง่ายถ้าเราจะอาศัยแสงสว่างนะแสงเทียนคือจักขู่ในตาของเรานี่อันนี้ก็เป็นความสว่างอันหนึ่งนะถึงมันจะไม่ได้อาศัย มีไส้มีน้ำมันหรือมีเนื้อเทียนปุ่มไส้อยู่ก็ตามนี่จะเป็นความสว่างอันลมพัดก็ไม่ดับซะด้วยสิอืมนี่ลามองเห็นไหมล่ะลองพลิกจักขุนในตาเข้าไปข้างในดูสิใต้ผิวหนังลงไปไม่ต้องอะไรหรอกเพียงแต่ว่าราบผมราบขน ซึ่งมันฝังลงไปในผิวหนังของเราตื่นๆจักปุ่ในตาเนื้อหนังก็ไม่สามารถจะอย่างรู้เห็นได้เพราะผิวหนังมันปกคลุมอยู่นี่เราก็จะเห็นได้ชัดแต่เจ้าความรู้คือปัญญานั้นนะมีอะไรปกปิดเขาได้บ้างมันสามารถที่จะเจาะใชลึกลงไปโดยไม่มีที่สุดไม่มีประมาณ แม่โบราณท่านจะกล่าวไว้ว่าพื้นประฐพีนี่มันมีความหนา 84,000 โยดดูซิมันจะไกลเกินกว่าปัญญาคือความรู้นี่จะจอดถึงไหมไม่มีที่มันจะจอดไม่ถึงรู้ไม่ถึงอย่างลงไม่ถึงป็นไม่มนี่แหละคือปัญญาปัญญาคือความรู้มันสามารถที่จะ สอดส่องมองได้อย่างทะลผุผู้ภูเขาอย่าว่าแต่ดอยอินทนนในประเทศไทยที่ว่าสูงสุดและใหญ่ที่สุดของประเทศก็คือพินฐานนั่งภาคเหนือต่อให้มันใหญ่ยิ่งกว่าภูเขาที่มารไรมันก็ปดบดบางปัญญาคือความรู้ของคนไม่ได้ ห้ามความรู้ของคนไม่ได้ทับถมความรู้ของคนไม่ได้ปิดบังให้เกิดความปัญญาคือความรู้ให้มืดไม่ได้ทางนั้นนี่เพราะนั้นเราก็จะเห็นได้สมจริงกับพี่นักปราชญ์คือพระพุทธเจ้าทรงตรัสไว้ความสว่างอื่นใดในโลกจะเสมอด้วยปัญญาคือความรู้ของคนเรานั้นไม่มี นี่เป็นนาทีของความสว่างนะทตนี้ความสว่างที่ดีเฉพาะคนะเฉพาะคนนะได้ถูกสิ่งที่บดบังอยู่ตลอดเวลาเหมือนกับพระอาทิตย์พระจันทร์ถูกเมฆมันบดบังนะึมันจะอยู่สูงพ้นเมฆ ก, ก็ตม่มแต่ว่ามันอยู่สูงเกินไปนะเมฆมันอยู่ต่ำ มันรอยมาบดควางอางแสงใช่ก็เลยรักษมีที่เจิดช้ามันก็ลดลงอันนี้ชั้นใดหรือเหมือนอย่างแสงเทียนหรือตะเกียงบางครั้งมันก็ดับเพราะลมใชบางครั้งมันก็ดับเพราะหมดเชื้อคือไสและน้ำ ม, มันสช่ชั้นใด ขึ้นชื่อความสว่างแม้จะไม่มีสิ่งใดบดบังได้ก็ตามเป็นธรรมชาติที่มีอยู่ในตัวของเราเป็นสมบัติของเราทุกคนนั้นก็ดูเหมือนว่าคล้ายๆกับตะเกียงมันดับพระอาทิตย์มันมัวแสงไปพรมเมฆปกคุมบงังฉันนั่นเหมือนกันอันนี้โดยที่เราจะเห็นได้ แม้แต่เราจะเรียนธรรมปฏิบัติธรรมทั้งให้ทานรักษาศีลมีความประพฤติปกติกายวาจาอบรมเพื่อขัดเกลาจิตใจของเราอยู่เนืองๆเสมอคนคิดพินิจพิจารณาอยู่เสมอมันก็ไม่สามารถที่จะเปิดสิ่งที่ปกคลุมยังความมืดมนนนตการ ให้ประจักษ์แก่ปัญญาตาใจของเราได้คื อ, คอไม่สามารถ<ส>พยาจเจาะได้อย่างทะลุ ป, ปูกผงแฉมแจ้งโดยเปิดเผยป่ปสยาสจากสิ่งที่ปกปิดด้วยประการทั้งปวงเยี่ย ง, ยงนักปราดหรือพระเจ้ามีพระพุทธเจ้าสาวกสาวิกาทั้งหลายเป็นต้นเหล่านั้นทั้งทั้งที่พวกเราท่านทั้งหลาย ก็ปรารถนาอยู่ในอันที่จะกำจัดจะแค่ไขความโลภโกรธหลงอันนี้นนชื่อกิเลสให้เบาบางรละหมดไปจากกายและจิตของตนเป็นที่สุดแต่ถึงขนาดนั้นเราก็ไม่สามารถที่จะเจาะคำว่ากิเลสนั้นให้รู้แจ้งแทงตลอดโดยเปิดเผยโดยที่เราไม่สงสัยไม่เคือบแคลงว่านี่เป็นกิเลส อันนี้ไม่ใช่จเิงเพียงแค่นี้เราก็ไม่สามารถที่จะรู้ได้โดยถูกต้องทาความเป็นจริงด้วยปัญญาของเราเห็นไหมบางครั้งบางคราวเราก็รู้ว่าสิ่งนี้เป็นสิ่งที่ไม่ควรทำควรพูดควรคิดไม่ควรประพฤติไม่ควรซ่องเซพแต่เสร็จแล้วเราก็ยังประพฤติต้องเซฟอยู่นั่นเพราะอะไร เราเป็นผู้ไม่รู้อย่างนั้นรือรู้อยู่เมื่อรู้อยู่เรางดระเว้นไม่ได้มันก็รู้สักแต่ว่ารู้รู้ไม่จริงเห็นไม่จริงแจ้งไม่จริงนั่นเองเมื่อรู้ไม่จริงเห็นไม่จริงแจ้งไม่จริงนั่นแหละปัญญาอันนี้ถึงจะเป็นธรรมชาติที่สว่างอยู่ก็ตามเปรียบเสมือนวัตถุแสงไฟที่ต้องลง ถึงมันจะไม่ดับมันก็อับลัศมีลงไปความสว่างก็ลดลงหรือมันถูกเมฆบงังพ้าทิตย์ไม่เจิดจ้าเท่าเต็มมัตราของมันความสว่างก็ลดลงอันนี้ฉันใดความบกพร่องระบาปกุศลที่เกิดขึ้นยังเกิดมีอยู่ในตัวตนของเราเพฉันนั้นมันเป็นเครื่องบดบงัง ปกคลุมปัญญาเป็นธรรมชาติที่สว่างนั้นให้มืดม่นลงไปด้วยอำนาจของสิ่งที่เป็นปฏิปักษ์ต่อความบริสุทธิ์กล่าวสั้นๆก็คือเกเรนั้นเมื่อเป็นชิ้นนี้ก็คือปัญญาของเราอย่างอ่อนปัญญายังไม่เข้มแข็งยังไม่มีเต็มไม่มีฝรังยังไม่มีฝรังพอ เมื่อเป็นเช่นนี้เราท่านทั้งหลายก็ควรที่จะต้องสั่งสมและสร้างสรรปัญญานั้นให้เกิดขึ้นแค่ตัวของเราปัญญาคือความรู้ความรู้ข้างในนั้นจะเป็นไปโดยสมบูรณ์เราก็ต้องอาศัยความรู้ข้างนอกเป็นสื่อหรือว่าเป็นกระจกเงาเป็นเครื่องสอดส่องเป็นแนวทางของปัญญาข้างในจะพึองดาเนินอีกขั้นหนึ่งก่อน เพราะฉะนั้นการศึกษาจึงเป็นสิ่งที่สําคัญและจําเป็นสําหรับพวกเราถ้าเราไม่ศึกษาความรู้ดีรู้ชั่วรู้ถูกรู้ผิดรู้โลกรู้ธรรมมันก็จะไม่เกิดขึ้นกับตัวของเราสิ่งทั้งหลายดังกล่าวนั้นเกิดขึ้นเพราะเราตั้งใจศึกษา เรื่อการศึกษานั้นศึกษาตามหลักธรรมชาติแม่เราจะศึกษาตามหลักธรรมชาตินั้นมันก็จะต้องอาศัยแม่แบบหรือเป็นเครื่องบ่งบอกชี้ให้เราได้รู้ว่าอะไรถูกอะไรผิดอะไรดีอะไรชั่วเพราะบางสิ่งบางอย่างนั้นมันไม่ได้ปรากฏชัดเจนเหมือนขาวกับดําเหมือนมืดกับสว่าง มืดกับสว่างขาวกับดําถึงแม้เราจะไม่รู้จักสามคำว่าสมมุติขาวดํามืดสว่างเราก็สามารถจะรู้ได้แต่เมื่อเรามีจกักษุคือในตาดีแต่ว่ามีอยู่เป็นจํานวนมากที่มันไม่ปรากฏชัดอย่างนี้สิ่งที่ปรากฏโดยตามธรรมชาติคือความรู้เกิดขึ้นตามธรรมชาติขณะที่ตาเราเห็นรู้เกี่แสงสี หูของเราได้ยินเหล่านี้เป็นต้นเกิดจากตาผู้จมูกริี้ขายย่อมเป็นแดนบอกเกิดของวิชาคือความรู้ทั้งสิน้นเป็นสถานที่หรือเป็นโรงเรียนที่จะผิดวิชาเป็นครูเป็นอาจารย์ที่จะสอนเป็นผู้ผิดวิชาความรู้ให้แก่ตัวเราทั้งดีและชั่วถูกและผิด แต่เราจะรู้ว่าอะไรดีถูกและผิดนั้นมันต้องมีแบบอย่างมันต้องเป็นความรู้ที่เป็นแบบอย่างว่านี่เขานิยมว่าโลกเขานิยมว่าผิดว่ามันไม่ถูกอันนี้โลกเขานิยมว่าดีมาถูกเป็นบุญเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้เกิดสุขความเจริญเป็นสี่มงคลอะไรตัวมีอะไรเหล่านี้ เราต้องรู้จากสิ่งเหล่านั้นเมื่อเรารู้จากสิ่งเหล่านั้นแล้วเราก็มาเทียบกับบทของการศึกษาตามหลักธรรมชาติรูปจเจริญได้แก่รูปอย่างไรเห็นรูปที่เป็นมงกุลนั้นได้แก่การเห็นอย่างไรอย่างนี้เป็นต้นอย่างก็มาได้เห็นพระสงฆ์องค์เจ้าผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติตตชอบเห็นผู้ระพฤติทธรรมเห็นพระราหารัสตระหันแม้ในที่สุดเห็นพระพุทธรูป พระปิมากรเป็นองค์จำลองเป็นสัญลักษณ์เพื่อเราลึกถึงพระพุทธเจ้าสิ่งเหล่านี้เป็นเป็นรูปที่ควรเห็นเพราะเห็นแล้วมันเป็นมงคลมันเย็นตาเย็นใจมันไม่ทำให้ตาร้อนมันไม่ทำให้ใจงุ่นง่านรุ่มร้อนมันทำให้เกิดความเยือกเย็นเย็นเพราะคุณ ของท่านเห็นพระสงฆ์อ ง, องเนเรนเห็นผู้ปฏิบัติธรรมปฏิบัติดีปฏิบัติชอบจิตใจของเรามันเกิดความชุ่มเย็นอย่างนี้เพราะคุณเครื่องของความเป็นพระดีเ น, นดีหรือผู้ปฏิบัติธรรมนั่นเองมันเป็นเครื่องบันดานลหรือดลยังใจของเราผู้เห็นนั้นให้เกิดความเยืเย่งจิต อันนี้คือเรียกว่าเห็นดีเราก็ต้องรู้เราต้องเข้าใจเมื่อเรารู้เราเข้าใจอย่างนี้แล้วเราก็จะได้เอาไปเป็นเครื่องเปรียบเทียบกับการศึกษากิอทางตาหูจมูกรีนไก่ของหับอย่างนี้เป็นต้นเพราะนั้นการศึกษานะจะศึกษาตามแบบฉบับโดยที่เราจะค้นจะอ่านจะจดจะท่องจะจำ เพราะการศึกษานะจะศึกษาตามแบบฉบับโดยที่เราจะคะ้นจะอ่านจะต้องจะจำก็ดีก็ย่อมเป็นบอ่อเกิดหรือเป็นแม่พิมแม่ฉบับที่จะทำให้เราได้รับเป็นความสะดวกสำหรับเราทั้งหลายที่จะได้ทำปัญญาให้เกิดขึ้น เมื่อเรารู้เราก็ใจจดจำด้แล้วเรานำไปค้นไปคิดของอะไรนะมันก็ต้องมีทั้งดีทั้งชั่วมีทั้งของแท้ของปลอมมีทั้งถูกทั้งผิดเพราะฉะนั้นเราจึงต้องค้นต้องคิดต้องเลือกจัดสรรปันส่วนแยกแยะออกไปมันมีทั้งหยาบกระนิดละเอียดแม่ในที่สุด การมาฝึกฝนอบรมจิตเจริญสมถะกรรมฐานที่ปัสนากรรมฐานอันนี่ก็เป็นบอกเกิดของปัญญามันยังเป็นปัญหาที่ตกเขียงกันอยู่ว่าเจริญสมถะกรรมฐานภาวนาสมาธิภาวนาจิตมันทำให้เกิดปัญญาได้อย่างไร เลเมื่อจิตมันสงบไม่ได้มีความค้นคิดอะไรมันจะเป็นบ่มันมันมันทำให้เกิดปัญญาได้อย่างไรทีนี้ผู้ที่ถกเถียงหรือสงสัยก็ไม่ใช่ใครก็ผู้ปฏิบัตินั่นแหละคนที่เขาไม่ได้าปฏิบัติเจริญสมถะกรรมฐานเขาไม่ได้สงสัยอะไรหรอกพวกที่สงสัยและถกเถียงโต้แย้ขัดแย้งกันอยู่ก็คือผู้ปฏิบัติ ันั้นถ้าหากว่าภาวนามยาปัญญาปัญญาเกิดขึ้นเพราะการภาวนาเนี่ยถ้ามันเกิดขึ้นไม่ได้ท่านจะกล่าวไว้ทำไมว่ากินตามยาปัญญาปัญญาเกิดขึ้นจากความคิดสุดตามายปัญญาปัญญาเกิดขึ้นจากการสััสับฟังเกิดขึ้นจากการศึกษาเล่าเรียนคือท่องบทจำทรง เมื่อศึกษาต้องบนจำทรงได้แล้วก็มานนำมาค้นคิดพินิษพิจารณาเรื่องจินตามยปัญญาอันนี้เป็นการศึกษาหรือว่าเป็นบ่อเกิดของสติปัญญาธรรมดาธรรมดาโดยโดยทั่วไปภาวนามยปัญญานี่เนี่ยมันเป็นเรื่องของการเน้นเป็นบ่อเกิดปัญญาที่ลึกซึ้งละเอียดไม่มีในโลก แต่มีในศาสนาเท่านั้นภาวนาเมยปัญญาภาวนาเมยปัญญาก็หมายถึงว่าทําให้มันมีให้มันเป็นสิ่งใดที่มันไม่มีไม่เป็นก็ทําให้มันมีให้มันเป็นให้มันเกิดขึ้นมันไม่ปรากฏทําให้มันปรากฏมันไม่เป็นก็ทําให้มันเป็นขึ้นมานี่แหละคือภาวนา ถ้าจะกล่าวกันตามสับของมันตามเรื่องราวของมันทีนี้เราภาวนาอย่างที่เราเข้าใจสมถาก็ดีบริกรรมก็ดีพิจารณาก็ดีความมุ่งหมายก็คือทำให้จิตสงบทีนี้คำว่าจิตของคนเราสงบนั้นเจ้าสงบแบบไหน ความสงบมันมีอยู่หลายอย่างสติของเราตั้งมั่นมีสมาธิอยู่ในการปฏิบัติในทางจิตอย่างเรากําหนดลมให้ใจเราก็มีสติตั้งมั่นอยู่กับความรู้ในลมควบคู่กับพุทโธก็ตั้งมั่นอยู่อย่างนั้นแหละสัญญาลมอดีตนาคตอะไรจะเกิดมันก็ไม่ขาดไม่หลงไม่ลืมก็ตั้งมั่นอยู่อย่างนั้นและแล้วมันก็ไม่ได้ละเอียดลงไปกว่า น, นั้น มันตั้งอยู่อย่างนั้นจะยืนเดินนั่งนอนตลอดเวลาที่เรากําหนดหมายมันก็จะเป็นอยู่อย่างนั้นนี่ก็คือสมาธิบางคนก็ จ, จะเข้าใจว่าไม่ใช่สมาธิด้วยหมายมุ่งผลลึกขึ้นไปสมาธินั่นมันจะต้องดับไปจากสัญญาอนดีนาคตจริงอยู่ น, นั่นเป็นสมาธิที่จะทำให้ปรากฏผลสำหรับผู้ปฏิบัติให้เกิดปีติทั้งห้าอย่างใดอย่างหนึง่งหรือเป็นการที่จิตรวมลงไปวางความค้นคิดทั้งหมดจะมากก็าตามน้อยก็าตามละเอียดก็าตามหยาบก็าตามโดยที่เราจะกาหนดพิจารณาลงไปใยความเป็นธาตก็ดี ปฏิกูลก็ดีใจรักคือนิจังทุกขังนัตตาก็ดีความกำหนดนึกคิดตุงแต่งเราลั่นดับลงไปจากนั่นะแต่ความรู้อย่างเดียวนี่ก็เป็นสมาธิอีกอันหนึ่งอีกอย่างแล้วก็เป็นสมาธิหรือเป็นสมาธะอย่างที่พวกเราท่านทั้งหลายได้หมายเอา เมื่อเราได้ปฏิบัติอย่างนี้ขณะที่จิตของเราเป็นและไม่เป็นเราเกิดความรู้เกิดความเข้าใจโดยละเอียดท่องแท้ที่ท่วนท่านนั้นไม่ใช่เป็นปัญญาดอกเลยว่าจิตไม่สงบไม่สงบเพราะอะไรเราก็รู้จิตสงบเพราะอะไรเราก็รู้หมดอย่างนี้เราไม่เรีย ก, กว่าปัญญาแล้วจะเรียกอะไรนี่แหละเพียงแค่นี้ก็ชี้ให้เราได้เห็นแล้วว่า ความสว่างอื่นใดในโลกเสมอด้วยปัญญาไม่มีพระอาทิตย์แสงพระอาทิตย์แสงไฟฟ้าก็ไม่สามารถที่จะจอดใช้ให้เรารู้ไปทั่วถึงเข้าถึงซึ่งความรู้สึกนึกคิดอันเป็นสภาพจิตคือผู้รู้ในใจของเราดังที่กล่าวมาเพราะฉะนั้นจึงสมจริงในคำสอนของพระพุทธเจ้าว่า ความสว่างใดในโลกเสมอด้วยปัญญาไม่มีตามมะยะที่ได้ชี้แจงสู่เราฟังโดงยย่อก็พอควรแก่เวลาเทวังก็มีด้วยประคาชนิดในโอกาสต่อไปนี้บรรดาเราท่านทั้งหลายจะได้ทำการปฏิบัติธรรม และก็ฟังธรรมพวกคู่กันไปการปฏิบัติและการฟังสำหรับพวกเราท่านทั้งหลายจัดว่าเป็นกิจวัตรประจำสำหรับพวกเราได้กระทาบำเพ็ญกันมาแต่การรนลาน นับจำเดิมตั้งแต่การอธิษฐานอยู่จําปรรษาของภิกษุก็ได้ผ่านมาโดยลำดับถึงวันนี้ก็นับได้ว่าสิบสี่สิบห้าวันเข้ามานี้แล้วเราท่านทั้งหลาย เมื่อถึงการเช่นนี้ทั้งครือหัสและบรรพชิตต่างก็ได้อธิษฐานจิตในอันที่จะประกอบกจิตในทางพระพุทธศาสนากล่าวคือสร้างบารมี ได้แก่คุณงามความดีให้แก่ตนของตนอย่างเต็มความสามารถและโดยเฉพาะอย่างยิ่งวันพระในการปัญญาเช่นนี้บางท่านนับว่า มีจํานวน <c oughs> ไม่น้อยที่ได้ประกอบความภาคความเพียนให้ดิ่งขึ้นไปโดยเฉพาะเกี่ยวกับความเพียรในทางหกรมหรือฝึกฝนจิตใจเรียกว่าภาวนาจิต ฉะนั้นวันนี้ก็เป็นอีกวันพระหนึ่งที่พวกเราท่านทั้งหลายจะได้ประบอบความเพียรอันตวนบิสเรียกวันเนสั ช, ชิกังางคัตุดมคือถือการไม่นอนงดเว้นการนอนเสียในองไว้เสดยจทั้งสัมการยืนการเดินและกันนั่ง จนกว่าจะรุ่รงเงาออกมาใหม่ถ้าที่เราตั้งจารึกด้วยพระสงฆ์นี่มันจะมีความเอกลักมีวัตถุประสงค์ในที่รประกอบคหมามอาภเป็นสุประเศษฐะรปักคือวันหรือเวลาปับันมาดามาดักเพราะะนนี้ก็การลงตามผ่านเวลามาสิ่งเลา น, นี้แล้วไม้เจนหรือที่แ ขร้อมกับโดยเบทแลวกัรเศรษฐกิจเรียกว่าจะมาตอนนี้พูดถึงดักที่มันควรว่านามาเอาสู่กบฟังเกิดขั้นทนหลายและอได้หนึ่งกด้ในอันทีนน่จมาสวดนการสุขโฟบเญเดนนำไปใชยเพราะคำสอนของพระพุทธเจ้า เราท่านทั้งหลายก็ย่อมจะทราบกันดีอยู่แล้วมีมากมายนับจำนวนได้ถึง8ปด0มื่นสี่พันพระธรรมขันธ์แต่เมื่อเราจะย่อย่อนลงมาหรือพูดถึงในเรื่อง ของการฝึกฝนอบรมใจเรียกว่าภาวนาจิตก็จะกล่าวได้เพียงสองประการคือสมถะกรรมฐานได้แก่วูบายสงบใจสงบจิตวิปัสสนากรรมฐานได้แก่วูบายที่จะให้เกิดปัญญา ความรู้แจ้งแทงตลอดในสภาวธรรมอย่างนี้เป็นต้นก็มีอยู่เพียงสองประการนี้เท่านั้นแต่ประการแรกได้แก่สมถะอุบายสงบใจในหลักที่ปรากฏในทางพระพุทธศาสนา ซึ่งพระองค์ได้ทรงตรัสวางไว้ให้เป็นหลักเพื่อเป็นอูปายสำหรับพวกเราผู้ท้าทายผลอบรติดมีจีป่ประกาเรียกรมาฐาน40สมีพุทธานุสติเป็นต้นแต่ี่อย่างไรก็ตามในสนักอุตส่ารแห่งเราท้านี้่ันการได้แก่พระอิศ วา่าเป็นที่ความโชืชันในหลักโครงการฝึกฝนอบรมจิตคือกรรมฐานอันเป็นส่วนพิเศษในกรรมฐานสามข้าวกอในแกอาสริซึ่งตนเหงก็ได้น้อมนำไปเจริญได้แก่การอบรมปฏิบัติให้เป็นไป แต่การก่อนถ้าจะย้อนป ร, รบถึงปฏิปท า, าของครูบาาจารย์โดยเฉพาะเราท็ปตระหนิกตามหลักฐานซึ่งเป็นพื้นฐานอยู่โดยทั่วไปนั้นได้แก่พุทธโธตามสายของครูบากรรมครูบาาจารย์กรรมฐานซึ่งเราก็ทราบกันดีโดยที่มี หรงปู่มั่นเป็นปรมาจารย์โดยทั่วไปแล้วก็จะบริกรรมพุทโธนี่แหละพุทโธเป็ น, นของจิตติพุทโธเป็นอาสวิขลุกทีในใจเมื่อบริกรรมพุทโธจนจิตใจรวมคือสงบที่คลายเบาบางไปจากสัญญาอารมณ์ มีรูปอารมณ์ได้แก่รูปเป็นต้นอารมณ์ทที่ยังเบีดนอารมณ์ยังไม่ลกอดเมื่ อ, อระเบิดบางอใจออกจุ่มพอเป็นบลาระพื้นมันจะน้อมจิตเข้าไ ป, ปสู่นั้พื่ อ, อการหาจิตใจของเราที่สมหวังแล้วก็อกรารมณ์ได้ขี้คลายลงไปบ้างแล้วนั้นให้เป็นจิตใจที่ต่อดภ ผุนไ้นั่นได้แก่พูดตามรับหรือภาษาของนักปฏิบัติท่านก็มักจะหลัิงขึ้นสู่อารมณ์มารดาการปามันคุว่าการพิจารณาในสัตว์ไรเพาว่านส่วนกายนั่นโดยส่วนมากก็คงไม่พ้นไปจาก คำว่าอาการสอซึ่งสัญญาธักษะก็มีอยู่ในตำราและโดยเฉพาะอย่างยิ่งคือนักบวชก็ได้รับมอกไปจากอุประชาในวันแรกที่บวชเข้ามาแล้วในศาสนานี้มีเกษาคือผมเป็นต้นคำว่าได้ดทำการด้วยกัน มีได้หมายถึงว่าควบคุมจิตก็ไม่เป็นแต่จิตของเราน่แต่ไม่ใช่เป็นความเป็นหนึ่งอย่างลึกซึ้งถ้าหนึ่งจริงอย่างลึกซึ้งแล้วจะทำอะไรไม่ได้เพราะในจิตนั้นไม่หนึจิตที่เป็นหนึ่งหรือรวมตัวพอประมาณการที่ที่สุดการบริหารจิตนั้นได้แก่ สู่อารมณ์กรรมฐานอารมณ์กรรมฐานเข้ามาสู่จิตเพื่อทำการบริหารสติได้แก่ตัวระลึกรู้ซึ่งกำลังรวมตัวอยู่เพียงเล็กน้อยนี้ให้เกิดเป็นสติที่แก่กล้าเมื่อสติมีความแก่กล้าย่อมก่อเกิดซึ่งภะระ เราคือกำลังจิตของพวกเราท่านทั้งหลายที่เราท่านทั้งหลายหมดจัดตามเป็นตัวผู้ป่วยได้รับที่เขาต้องดูันกับเหตุการณ์ต่างๆทั้งส่วนภายนอกและภายในได้เป็นอย่างดีตามสมควรหรือโดยเหมาะสมาพาบิดาของพวกเราอยู่ในขณะนี้ หรือขนาดไหนก็ตามทั้งนี้ก็เพราะว่าสติของเรานั้นเป็นสติที่ขาดพรรคหรือกำลังมันม่มทนพิชเช่นบอกสติเราไม่ยาลังที่มนนะก็เพราะตรงไหนม่ถ้ารวมรวมตีของเราแข็งขึ้นส่ตะกอนสัสมมุโดยสุไม่ไม่บาดและมีมันที่จะขนแข็งขึ้นมาได้โดยลำการประการถีจะทุ่มเข้าไปเกี่ยวของยกขึ้นไปเลียบหัก มนุษย์และสัตว์ทั้งหลายเหล่านั้นได้ทำการอบรมจิตทจผู้หลงตนตามูทแ บ, บแนำบางที่ผู้ธาศ า, า, า, า, างชาติยาหล์ไปแต่ละตามติการแบบจนถึงนี้ทำที่เราปลูกฝึกอบรมตรอดอยู่ไม่แต่นูซึ่งเป็นสมบัตบโดยสบู่รู้ได้ก็เป็นอิี่บบมันไม่ผิดแกแตกต่างอะไรกับสติของบุคคลผู้ที่ราการศึกษาในทางบพุธศาสนา ให้เราย้อนไปถึงที่ตอนนี้ได้ทำการสนบมีความชักการให้เลาสุดเพือตอนสี่หรือภาวนาลายมีไปต้นเขาก็ู้อดีตอะไรเกิดกะจัในอันตร์หรือีาุแล้วเรามาจะลุกลุกลุกลุกลุกลุกลุกลุกลุกลุกลุกลุกลุกลุกลุกลุกลุกลุกลุกปุลุกลุกลุกลุกลลุกลุกลุกลุกเป็นุดลุกลุกก ยันหลอนใครเมื่อในสุตอมตั้งเหลบิดบุญและบาปซึ่งจะเป็นอารมเกี่ยวกับรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสอย่างใดอย่างหนึ่งก็ตามตาประหลาดเปนลึกได้ให่เป็นนั่นเป็นปติเพียงแต่มีหรือตามหลักของชามโธธรรมแต่จะเป็นตั้งยับยับ้งเอาที่จะพึงเป็นไปพับพึงเป็นไ ป, ป, นปได้นะันครับ อาษจะระมิดของเราลงไปคิดเรื่องพระพุ้ธจ้าใาดิวัติเลจุ ม, มุณนนิได้นั้นมันเป็นสติหรือเปล่าเราจครับหรือเราจะระคับคมตามรู้ของบอกให้เดินตาแนะว่างในจุดเป็นกุนเป็นเสียซึ่งอกุศลเปิดขาดปวดแม้ไปของรักก็เสียได้จ บ, บัตรย่อสองดิและอรรมะวาทะรุสีนั้นจะติดหรือก่อนเกีงไรทันทายเงเสียได้ดนสา น, น า, กสากุศล มวิโต๊ดรตรูในเรื่องของาราวฤกไอ้เกียรก็วระดับรูปเสียชิ้นเป็นบิากลุ่มราคาความกัความยินดีอันปริบันทละความพอใจปัญหาความทยอทยานอยากรามตามกันไปน้อยใหญ่นี่มันก็ขึ้นอยู่อาการนทุกข์ุ้กขใจเราเราก็สา ม, มารถที่จะตอบไราก็มิสติ การจะละครติดของเราให้เบื่อเสียปรกละครตายของเราพ้นไปจากบาปราจาพ้นไปจากบาปแม้แต่อยาา ป, ป่านกลางและละเอียดตลอดเข้าไปถึงใจของเราแม้แต่นในขณะ น, นี้เวลานี้ได้นั้นก็เป็นเรื่องของสติไม่ใช่เป็นเรื่องของจิตใจจิตใจนั้นมันจะไปรู้อะไรมันไม่รู้แม้จะกระทั่งหลับจับของใหม มันเเจิตใจมันไม่รู้ไม่เจงกระทั่งว่าสิ่งที่จะทำลายตัวของมันเองให้เกิดความเจ้าหมองเกิดความขุ่นมัวเกิดความมืดมนอย่างนี้เป็นต้นนั่นแหละคือใจอันนี้ฟังให้ดีนะคำพูดอันนี้เนะี่ย นับว่าผู้ฟังทั้งหลายตั้งแต่ฟังมาคงไม่เคยได้ยินเพิ่งได้ยินวันนี้และผู้ที่ฟังอยู่ในขณะ น, นี้มันเป็นการพูดกลับกันเพราะตามปกติแล้วเราเคยได้ยินมาตลอดว่าใจคือผู้รู้พุท ธ, ธคือผู้รู้แต่เหตุชไหนพูดวันนี้จึงกลับตะปัดไปเสียกลายเป็นผู้ไม่รู้ ดีฟังแล้วคิดให้ดีตรองให้ดีคิดตรองให้สมภูมิกับฐานะเราเป็นผู้ปฏิบัติถ้าเราคิดไม่สมภูมิกับผู้ปฏิบัติแล้วก็อาจจะเกิดเข้าใจผิดถึงจะเข้าใจผิดผู้พูดก็ยอมรับด้วยดุษณีภาพเพราะเป็นความเห็น จะเพอตนเป็นความเข้าใจจะเพอตนอาจจะไม่สาธารณนะทั่วไปก็ได้เพราะฉะนั้นถ้าว่าใจเราเป็นผู้รู้ทำไมเราจรึงเดือดร้อนทำไมเราจรึงวุ่นวายใครเป็นผู้ชี้บอกวันนี่ เป็นตัวทิฏฐิคือความคิดหรือความรู้หรือความเห็นอันนี้เป็นสมาทิฏฐิเห็นผิดอันนี้สมาทิฏฐิเห็นถูกใครเป็นผู้วินิจฉัยใครเป็นผู้ชี้บอกและใครเป็นผู้รู้ชัดเมื่อรู้ชัดตามนั้นแล้วผู้รู้นั้นเป็นอย่างไรความผิดถูกชั่วดีนั้น ไปอยู่ที่ไหนนี่แหละเรื่องของมันมีความสับสนเรื่องของจิตของใจมันเป็นอย่างนั้นจึงบอกว่าเมื่อเราได้ชำระทำรอบ ก, กันเบ็ดเสร็จลงไปแต่ละคราวแต่ละวาระแต่ละกรณีนั่นแหละ เราจรึงจะรู้กันได้ชัดเจน